นะมักลงผลงไม่ได้อยู่โดยเรื่องงานนั่นงานนี้ยุ่งนั่นยุ่งนี่นะสอนู่เพื่อนกัส อ, อนไปเพื่อมกักเพื่อผลด้วยเห็นที่สุดร้อนๆต่อหน้าต่อตายค่ากิเลสนะีมันเห็นประจักษ์ในหัวใจเราเลยวนะ่าได้ยินึงแต่ข่าวกุฎิเจ้าพระสงฆ์สาวกั้นค่ากิเลสกิเลแต่นั้นตายกิเลสชนี้ตาย เหยียบงอกกิเลพังในในป่านั้นในเขาลูกนั้นในเขาลูมนี้ที่ว่าสําเ ร, กกร็จมากลุ่นผ่านเราสําเร็จไปเรื่องของกิงเลสสาเร็จไปด้วยความโลภความโรกรธความหลงสําเร็จไปด้วยราักตันหานสาเร็จไปด้วยความขี้เกียจขี้คลั่งความอ่อนแอท้อแท่เลอยไหล่มันสำเร็จไปงั้นนะพวกเราไม่สำเร็จไปตามทางท่านนะ มันสําเกตย้อนหลุกสอนกับพระพุทธเจ้ากับศาสนธรรมมันสังเรกตแบบคนตาบอดโดนไม้ทั้งต้นหันหน้าหันหลังให้ต้นไม้หันหน้าไปขอมเขจตจักรวาลแล้วันสมหวังแล้ววันนี้แ่บพยายามไปโดนมันนานนะไม้ต้นนี้นะ่ะเห็นไหมหันหน้าดูต้นไม้ต้นไม้อยู่ทงโน้นหันหน้าทางโน้นอีกนะ พวกนี้โฟกสมหวังนะวพวกเรกสมหวังพวกน่าผาแปนะไม่เห็นความโคตรความเศร้าของตรวน้จนามันเป็นะไรโดนออกหมดทั้งโคตรทั้งแสบของคนตาบอดมันโดนมันจะเป็นอะไรัวมาตึงนั้นถ้ามัน อยากให้หมดทั้งโคดนั่ น, ม, น, นมีแต่คนห้าผาดตปดมงนงา น, นกันมีอคืองานหมายความหมายเกี่ยวข้องนี่มันคืคคนคคคอพูดหมูบ้านตางก่อขาการทําบุตลาดรห้องวิทาลก็บอกอยู่แล้วหนี่ยประหยัดปฏิบัติปฏิเวช น, นี่ เนี่ยกระดาดแห่งมกุนมุขานี่ตรงนี้เขาตดร้อนๆอย่น้สมัยนูนมันีไหนทไมที่เห็ดมันลากไปวาดาพเล่ามุมนุ่ตัวกระดาษมกุนมพขานันให้หันหลังใส่นหมันหันหน้าหัที่เหล็กลาบเขาเรือยหันหน้าลงุด ไปยากปฏิบ <us> <os improving in mus Channel> ัติไปด้วยมันจะไปไหนวะไปรากเพียรยามันมันมีแต่พาดตรงนั้นเพราผมเรียนถึงไม่เข้าใจคือเราเรือนด้วยเราปฏิบัติด้วยไม่งั้นมันก็ไม่ได้คำพูดทั้งสองอย่างนี้มาเทียงเสี่ยงกันถ้ามีแต่เรือนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติมันก็จะมีแต่เรื่องความเรื่องความรู้ความเห็นเกี่ยวเรื่องการเรียน ความรู้ความเห็นทีเกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเป็นยังไงนเกิดขึ้นจากเรียนเป็นยังไงเกิดขึ้นจากการเรียนเป็นความจังเนี่ยมันรู้เกิดขึ้นจากภาพปฏิบัติเป็นความจริงเนี่ของเหมือนอย่างเราบอกว่าตาบันตาเนี่ยแต่ตอนเราไม่เคยเห็นพอไยินคนว่าว่าตาบันตานี่เราจะต้องว่าดภาพนของเราว่าตาบันตามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วใครเป็นสมภารจะว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นอย่งนั้นอยู่ลักษณะท่าทางอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย มอเป็นภาพความจํามาจากผู้อื่นที่เล่าให้ฟังแล้วภาพมันจะขึ้นตามความจํำมาภาพหลอกม่ะที่พ่อเก้าเข้ามาว่าป๋าบัรดาบมี้ได้เห็นตลอดทั่วถึงแล้วไปยังไงภาพมันจะล้มไปทันทีเลยแล้วเราก็ไม่เคยเห็นทั่วทั้งมันที่ภาพนั้นหลอกเราว่เป็นย่างนั้นนกับความจริงีมันเข้ากันได้ไหมเราก็ไม่เคยเห็นทั่วทั้งมันเพราะฉะนั้นต่อไปมันจึงมันจึงหลอกและอีกเมื่อพบกุบาจาร ย, ย, ย์เส้นหนึ่ง ผมไม่จะวาดที่นมาพบผมแล้เป็นยังไงคือภาพที่ว่าเกี่ยวกัเรื่องผมมันก็นล้มไปหมดเพราะมันทู่ความจริงไม่ได้เนี่ยพอมาเจอข้อพักความจริงจะต้องเป็นหลักอันนั้นจะต้องล้มไปเลยนั่น ค, ความจริงเวลาความจริงมารวมที่ไม่สงสยัยเอาปัญหนพูดได้เต็มปากวัดนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์เป็นยังไแ ง, งแล้วการพู้ศูนย์ธนาพาทีเันเรื่องอะไรหลเป็นยังไงพูดได้หมดคือ เพราะเป็นความจริงเห็นด้วยตัวเองได้ยินด้วยตัวเองทั้งสถานที่วัดทั้งตัวบุคคลซึ่อยู่ในวัดนั้นทั้งเรื่องราวที่พูดสนทน า, ากันว่าอาะไรพูดได้อย่างเต็มปาก น, นี่คือความจริงเราเรียนเหมือนกันเรเรียนนี่มันจะต้องว่าดภาพมันพอภาพปฏิบัติต่อเข้าไปมันปรากฏคำจริงขึ้นมาผมยืนึ้นนนนมา เพียงแค่วันวาดภาพไว้ก็เหมือนย่างวาดภาพกระาษต่าง ล, ล้มไปล้มไปล้มไปตามโดยลำดับรรมดาจกระทัความจริงเต็มที่ครคําจําก็ล้มไปหมดเรื่องว่าผภาพหรือแต่ความจริงเต็มหัวใจ ทำในวงปฏิบัตินมันต้องใช้ความระพอบมากมากางนี้นมันทำให้เหนื่อยไม่หลงได้ในขัง่งพุทธการก็มีเ็เสียงในธรรมะปัญญาคือสัมคัญตรงเพราะสิ่งที่ไม่เคยรู้หรือทางไม่เคยเดินก็ไม่ทราบอะไรจริงไม่จริงพลาดไหนเลยต้างใช้ความเป็น่ิจิตรามากทีเดียว นี่ก็เคยเป็นแต่มันไม่ถึงกับให้ตั้งเป็นเวลาเป็นชัออ่วโมงเป็นนาทีนาทีอะไรมันเคยเป็นมันพักกันมาแต่ว่าสิ่งที่จะลบล้างมันมันขึ้นเร็วนี่เพราะเราก็ใช้ปัญญาอยู่แล้วนี่แล้วเราไม่ควจะไปตาใจกับอะไรง่ายๆต้องให้ปัญญาผู้ตัดสินเมื่อมันเต็มหัวใจแล้วมันก็รู้เองนะเมื่อเต็มหัวใจแล้วรู้เองว้ย ถ้าที่ยังมีแง่อะไรอยู่นั่นมันัะไม่จริงไงมันมั น, ม น, น, ม น, ม น, มนตัดสินกันไปนั้นเดี๋ยก่อนเลยถ้ามันจริงแล้วมันจะ ม, มาถึงนีแง่อะไรนี่นั่ก็เป็นเครื่องรบล้างความสงสัยภายในตัวว่ามันยังไม่จริงเนีอย่างที่ผมเคยพูดเลยพระองค น, นั้นผมจําได้ก็ตลังชื่อทุกวันนี้ไรู้ถ้าจี่เป็นอารหันต์ล้มหมิ่นอนะ ผมเห็นนกกระทั้งตัวของแกยากษึกแล้วแอยู่ที่น้องกายที่แกเคยอยู่กท่านจันกูพระองค์นี้นะ่ะแต่รู้ลักษณะภาพทางของแกกันเป็นคนดีนะแต่นิสัยนั้นยังมีอยู่นะนิสัยที่กลุ่มไปกลุ่มมนมาอยู่ที่น้องกายกับท่านจันกู่ที่ผมก็อยู่ที่นั่นก็ไม่พุ่นอะไรกับแ ก, แ ก, แกะนะักเพราะผมถึงไม่ได้กันยึงไม่ได้ถามเกเรื่องนี้ เป็นะเบียงว่าเอาคำที่นั่นม า, มาบินิจฉัยโจทุงแกน่ะมาเทียบเทียงกันกันกบความจริงก็ถ้าอาจารย์กูนี่เองเล่าผมฟังเรื่องพระองค์นี้นะ่ะอัลหันเนี่ยไปเที่ยวพิรมกรรมฐาน้วยการตั้งเพอพูเวียงนะ่ะแ่คนนี้จะอยู่ค้นแก่เพราะเช้ได้นะนเป็นมีความรู้แปลกๆอยู่นะถ้ า, าว่า มีผู้คอยแนะนำเด่นนะี้แก จ, จะไปได้อย่างนะเนี่ยนะน่าจะได้ความรู้แกมีความรูปม้ร ป, ปิดย่อยนะแต่แกไม่รอบเนะี่ยในปิดย่อยความรู้ปิดย่อยของแกนะตอนตอนนั้นไปด้วยกันสามองคดึกดึกดึ ก, ด ก, ดกสังหหนยะแต่ภาวนาอะแกโอ้จิบมันกระลเลย <laughs> ก็ดมาแล้วโอ้โหมันก็แจวเป็นปลาหันเนะยจะทาอะไรสัญญาในหมูเพื่อนค้านี่คิดถึงนั่ก่วกอยานัดเป่าอยู่ในย่างมือล้งเข้าไปแล้วเอากองหยานัเป่าออกมาก็้มาเป่าหมูเพื่อนีไอ้น้อได้วิ่งเป็นอะไรมสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วยิ่งต้องจำเปต้องป่านกหมบิ่นเราก็มาด้วยกันต้องทำอะกันสาวคนนีูตายว่ะ อาหนรอะไรต่ี่ฟ้าต้องช่วยได้ไเที่ยว น, นะแต่ถ้าไม่กล้าพูดเลยมันกุย้าถึงอาหารผีบ้าอะไรแบดีอย่างหนึ่งเนะพอวันหลังอีกดึกสงัดอีกแล้ววาดขึ้นอีกเอา้าถึงไหนนะพากันจะมาหรือ ม, มายังไงก็รับผิดชอบกันไปแล้วกัน บ, บนภูเขาด้วยนะบนภูเขียมเนะี่ยลงไปไปกันแบบกล้าขาไม่อยากออกกันแหละมันเื่อยลาบไปหมด มันถึงข <c nie> no, ั้นไหนแล้ว <Kad> ที่นี่ว่ามันเนี้ยะมันสาเร็จถึงขั้นไหนแล้วเราก็กินอะไรือว่าจะถึงขั้นไหนก็บอกกงนี้นะนั่นก็พูดกงดีนะมันจะถึงขั้นไหนก็มันไม่สำเร็จเนี่ยไม่สำเร็จเป่าอะไรกูเมื่อคืนนี้เขาแจวว่าสำเร็จเขเป่าวันนี้ม่าสาเร็จก็ต้องเป่าหมูปิ้งสองชันสามชั้นูดีนก็ดีอย่างหนึ่งนะหลังกกกงวันสาเร็จเขาแจวว่าสาเร็จก็เป่าดงหิหมู่ิ้งก็ โอ้ยแจ่มมาแล้วมันนีกว่าเกิดเรื่องอะไรมาถามที่ไหนนกบินอะรหันมันลังดึกใส่กระดิ่งอะไรอีกนะจะหนีไหะอะไรําคานหัวแบบนี้จาเป็นก็ต้องมาถึงขั้นไหนแล้วที่นี่วะจะถึงขั้นไหนวะไม่สาเร็จเนี่ยวาไม่สจอะไรกระเป่าทาไมไม่สำเร็ก็เป่าอะอะไรอะไรก็เป๋าก็เมื่อคืนวันนี้ก็เขาแจ้งสำเร็จก็ยังเป่าแล้ววันนี้ไม่สำเร็จก็ต้องเป่าออกเพื่อนสิโอ ผูกขันไม่อันนี้มันต้องพาวนาเอาอยู่แล้วนะึ่งนะเพราจิตลวงไปเหมือนแสงพระเหมือนพระอาทิตย์เนี่ยตกลงมาตรงหน้าจิตมันสว่างออกไปนะ่ะคือกระแสของจิตจุาของอย่างไม่รู้นั่นสิอาการของจิตเห็นไหมโหเหมือนกับเท่ากับดวงเท้าเนี่ยอยู่ตรงหน้านสว่างจ้ามันก็เป็นดวงสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดเลยนี่กําหนดจับ ที่แรกก็คงจะยังไม่เอามือเอื้องไปธาตุ น, นะจะกําหนดภายนในใจพอกําหนดก็จำปรากฏว่าดวงสว่างนะั้นขยับออกไปทีนี้ลูกจากสมาธิไม่รู้เลยนะนี่มูม้แบบนี้ น, นนะลูกจากสมาธิตามไปแล้วดวงสว่างก็ไปแล้วก็ไปตามไปเลยอนั้นเดินไปเลยนะฮึช่างเนีแล้วดวงสว่างก็ขึ้นต้นไม้แ้่ก็ขึ้นด้วยเลยนะี่ขึ้นต้นไม้ด้วยเนะี่ย เก็เด <c ười> er ja ินไปในเดชะนะก็ยังดีอีกหนึ่งชะตายังไม่ขานนะดวงสว่างเลยเหาะวูไปเลยก็มองดูจนกระทั่งลับสายตาหายเงียบไปเลยที่นี่ก็หมดหวังใช่ไหมล่ะหมดหวังจิก็ย้อนมาี่หมดหวังแจิตก็ย้อนมานี่แหละความรู้ความความรู้ย้อนมาที่ไหนได้อยู่บนต้นไม้หนึ่งล้องไห้โห่ก็ไม่เป็นไรลอยไปก็ตามแสงสว่างก็ไม่ก็แสดงสว่างฟ้ขึ้นแล้วทําไมแสงสว่างไม่ฟ้าลงงอะไรหาะไปนู้นแล้ ร้องไห้โหอุ้มนีนะอืมมัก็เป็นอย่างนัน้นเป็นความจริงนี่นหว่ังอะไคขบคันดีไหมทำไม่เล่าขอดถ้าถ้าลองย้อนจิตเข้ามาสู่นี้ น, ยยน้่นก็หายเนี่ยเพราะมันเป็นกระแสของจริงผมเคยเป็น ระหว่างที่มันพุ่งออกเหมือนม่วงไฟเขาเรียกวงไฟดอกหรืออะไรท่งนี้เขาเรียกไฟพผนียงมันอะที่ก็จุดมันพู่งพุ่งพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นนะเขาเอาพวกเหล็กพวกขังอะไรนะมานั่บนท่านละเอียดแล้วก็ทําเป็นม่วงไฟดอกเนี่ยที่ฝังไว้ดินนั้นแล้วขึ้นพู่งพุ่พุพุ่ไปแต่แต่แสงสว่างของจิตนี่โอ้มันนิ่มนวลพูดไม่ถูกนะ เป็นเหมือนกันพอกําหนดดูมันสว่างโอ้จะมันจะเป็นยี่กิมอยู่วะนั่นที่แรกหลงมันอะแต่เนี่ยเราหนงคอยดูมันจะเป็นยังไงแสดงอะไรอรพอเรากำหนดว่าทำไมเป็นนี่พุ่งพุ่งพุ่งพุ่งนี้เราก็ตามดูมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยทจรีงพุ่งขึ้นเรื่อยเรือยเพราะเราดูด้วยปัญญานี่นะแล้วไม่ดูด้วยแบบเชื่อทีเดียวมันเป็นยังไงเราคุณดูมันไปมันก็พุ่งขึ้นเรื่อยพุ่งโน้มตัวเมกโน่น่ะ อยอ๋อเป็นอย่างนี้เองเหรอทีนี้เราก็กําหนดย้อนเอาคนยีย้อนลงไปเมื่อไรมันเป็นยังไงพิธายมันก็ออกไปจากจิตเน่แค่เนื้อผุ่งผุ่งพุ่งเข้าไปกำหนดจิตค่อยค่อยจิตย้อนออกมาย้อนมาอันนั้นมันก็ค่อยค่อยอ่อนลงอ่อนลงต่ําลงต่าลงความสว่างนั่นนะหดลงหดลงค่อยค่อยย้อนจิเข้ามาย้อนจิตเข้ามาเพราะเป็นภาคที่เราปฏิบัติเราไม่ได้เชื่อมันมันก็เป็นมันก็ว่าเป็นเครื่องทดลองให้เข้าใจ แต่ว่าลักขลากก็เป็นหินรับปัญญาเรค่อยถอดถอยจิตเข้ามาถอดจิตเข้มาย่นจิตเข้ามาเรื่อยอันั้นก็ค่อยหดลงมาหดลงมาก็มันเป็นกระแสของจิตพอจิตเข้าถึงตัวตึ๊กอันนี้อันนั้นก็หายเงียบไปนั่นเป็นอย่างนั้นเองอาการจิตพิสดารมากคิดหลงๆอย่างนี้เองไหนเราก็รู้ไม่ไปถึงไหนเพราะเราไม่ได้หลงมันนี่มันเป็นเครื่องทดลองเป็นเครื่องทดสอบกัน ถ้าเราไม่หลงจะอย่างเดียวก็ไปเครื่องทดสอบให้รู้เรื่องอาการทั้งจิตว่ามันเป็นประด้านหลายเนี่ยหลายกระทรงมากทียเดียวจิตผมมันพูกไม่ถูงมันเป็นหลายแบบนะอย่านี้เหมือนกันมีอย่างแบบสมบลงไปเป็นสงบไปมันก็เป็นน้ำมันบางเวลามันจะเป็นน้ำมันแบบเพิบเลยแต่ส่วน น, นั้นมันมักจะเป็นเวลาผ่าขนนะะชาจะปัญญาให้มากชาตันต่างเติมทิ่ง มันเป็นได้แค่อย่างนั้นมันเป็นได้สองอย่างเจ้าอุกโตมันก็สูกเราก็ไม่คิดไม่ตั้งตกแต่งนะมันเป็นอย่างนั้นนี่นะมันนักเป็นในหลักธรรมชาติในภาคปฏิบัติที่ถึงวารใดถึงเหตุการณ์ใดที่ควรจะแสดงออกมามันก็แสดงออกมาเองนี่ยมันค่อยสงบตัวก็ไปสงบตัวไปมันก็เป็นแต่ชั้นนี้นี่มันก็อ่านฐานนะชันนี้ที่มันอาหฐานจริงๆก็คือเรื่องของปัญญา มันสงบลงด้วยอานาจของปัญญาเนี่ยแหมอันนี้อาถานมากนะแล้วมันประจักษ์ใจและประทับใจด้วยนะอาถานก็อาถานประทับใจก็ประทับใจถึงใจคุณยังไงนะความสงบเนี่ยเป็นพื้นฐานสมาธิที่เราเคยเป็นอยู่นะ้นี่มันไม่มีอะไรถ้ราพูดตามปกติเหงนั้นผมมันดวงสมาธินี่มันทำนานมากจริงๆกำหนดให้อยู่เมื่อไหร่มันอยู่ได้เลย พอมันอยากเจ็บบุดอยู่แล้วมันขี้เกียจพอกำหนดเข้าไปนั่งแนวแล้วหายเงียบไปหมดอะไรหายเงียบหมดด้วยตัวความรู้ล้วนๆดิ่งอยู่อันเดียวทำไมที่เรือกายเปสมาธิขี้เกียจไม่มีอะไรก็ไปรบกวนด้วยต่ความรุนแน่วแล้วสุดท้ายวันนี้เหรอนี่พ่านจะคงนี้แหละคงนี้แหละเลยู่นั่นไม่ได้เรื่องเวลามันเป็นสพาธิด้วยอํานาจของปัญญานี้มันต้องเห็นได้ชัดมันถ้สว่างกระจ่างอย่างมันอาจมันหานพูดไปถูก ปรจับใจประทับใจไม่ลืมคิดว่ามันเพิบหนึ่งเหมือนกันมันเอาเติมที่ของมันปัญญาหวานเล่าเข้ามาจนหมดแล้วมันมีรังผาเพิบลงเลยหาเงียบหมดทั้งกายไม่ถามไปไหนท่านพิการก็นั่งอยู่นั่นแหละมันมันท่องไม่รู้นี่มันไม่รับทราบกันรับทราบได้สิบศักดิว่ารู้นี่นะ ถ้าจะว่าให้ลูกยิง่นนั้นก็ไม่ถูกอีละกับธรรมชาตินั้นน่ะนั่นจักแต่ว่ารู้และอศัศจรรย์ไม่มีอะไรเข้ามาเทียบถ้าเทียบ ม, มันจะเปลี่ยนจากความเป็นหลักธรรมชาตินั้นทันทีเราจะไปหาปรุงฮัตแต่งอะไรเอาเฉพาะความพอดีที่มันปารากฏอยู่เวลานั้นไปนยังไงน่ะคือเป็นหลักธรรมชาติมันเองเราจะเอาอะไรไปเทียบไม่ได้เวลานั้นเป็นสองขึ้นมาทันทีต้องปล่อยให้เป็นไปตามหลักธรรมชาติซจุดหนึ่งสักตะว่าปรากฏคือว่าสักต่ว่าจริงจริงนั่นแต่ความรู้เนี่ยสํคาคัญมากนะ ศาสตรว่าปรากฏและอัตจัมทั้ทงที่อวิชชาครอบหัวมีนั่นน่ะอวิชชายังไม่ได้ออกจากมันมันยังแป็นประหลาดขนาดนี้นนนนไปอของอวิชชามันแตกกระเด็นมันเป็นผุยงผงหมดลงดูสิจะเป็นยังไงใครจะไปฆ่าไปถูกพูดไปถูกนอกจากวงสมมติหมดแล้วแต่ไม่นอกจากธรรมชาติรู้เองที่รู้ตัวเองนั่นท่านลักท่านบอกทําที่ติโก คือธรรมชาติตัวเองรู้ตัวเองพอเหมาะพอดีกันอยู่ทั้งนั้นไม่มีอะไรเข้าไปเพิ่มไปลดลงได้แหละนมันเป็นธรรมชาติแท้เอาละยิ่งเลือกแล้ว น, นะอ่านหน่อย